รู้สึกไหมรู้สึกค่ะพ า, านานดีแล้วใจเป็นธรรมชาติคฮนะค่ะปล่อยให้มันทํางานแล้วตามดูค่ะหลื อ, อนเดียวว่าจะเป็นกลางหรือเปล่าท่านนะ่ะค่ะนะเอาก้าวสิบสี่มีไหมก้าวสิบสี่อ่อนตายละห ว, ว่าแล้วจะคุยกันได้หรืออ๋อมีล่ามเอเขาบอกว่าเมื่อคือนเนี้ยสติเขาเกิดบ่อยคือเขารู้ว่าเขาคิดจนกระทั่งมันนอนไม่หลับ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 ก็เกิดวิบากคือความทุกข์ใจหนักๆขึ้นมาเนี่ยวัดตะแหละถ้าเรารู้ทันตั้งแต่มีกิเลสนะก็ไม่มีการกระทําขึ้นมาใจก็ไม่หนักอ๋อค่ะถ้าเรากรณีที่หนูคิดถึงคุณพระรัตนตายเราก็ร้องไห้เราก็แบบเหมือนจิตมันบีบพันก็คือเป็นกรณีเดียวกับที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้หรือเปล่าคะใช่แต่ว่ากุศลก็บีบพันได้นะอะไรนะคะกุศลน่ะเราคิดถึงพระรัตนไตรนะ ปีติขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วความปีติก็มาบีบคั้นจิตได้มันครอบงํามันบีบคั้นแบบทุกข์ในจิตนะคะเห็นแบบมันรู้สึกมันทุกข์ทนมาแล้วก็ม right ันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนเราไม่รู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวไหมทางานบ้านทำกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เหเ็น right. ร่างกายเนี้ยทำงานไปเรื่อยๆส่วนความรู้สึกอะไรแปลกปลอมเข้ามาในจิตเราค่อยรู้เอาของคุณจิตใจมันจะ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 ก็าดูใจที่มีความสุขเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวเห็นใจมันเคลื่อนไหวฝึกอยู่อย่างนี้แหละอ้าวเบอร์ร้อยเกหลวงพ่อบางทีจะเข้าไปกุฏิผูบาายังเข้าช่องไหนดีวะพวกช่างเขาจะเข้าไปซ่อมอะไรแถวกุฏินะเขบอกเขาหาทางเข้าไม่ได้นี่แกเลี้ยงไก่ป่าไว้เยอะแยะเลยตอนนี้อกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูอยากขอการบ้านนะคะเพราะว่าหนูไม่เคยขอการบ้านนะคะ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 ความโลภขาดไปกระทาทองแดงหายเลยะนะจะมีข้อบอกคร่องอะไรเพราะท่านอาจารย์ช่ยเตือนไ ด, ดีมากเลยนะโยมภาวนาได้ดีมากเลยล่ะลูกสาวก็ขยันนะแม่ภาวนาได้เนียนกว่าเยอะเลยแม่แม่ภาวนานเป็นธรรมชาติเลย้องหนูยังคล่ำครวญรู้สึกไหมเริ่มแล้วโอ้หนูไม่เป็นธรรมชาติ <c oughs> <c oughs> ให้รู้ทันนะดีทั้งบ้านเลย